อาตมาก็ดีใจหลายที่ได้มาเห็นพี่น้องเมืองลาวเฮาอยู่เย็ยนเป็นสุขมีความฟองดองสามัคคีกันแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมก็มีความเงินดีหลายมาเห็นแล้วก็มีความสุขใหญ่เห็นญาติโวมเข้าวัดเข้าว่า ทือสินกินเพนพอใจหลายดีใจนำสุค่สุคนเมื่อนี้อัตมามานี่ตั้งใจว่าสิมาเทศให้ฟังสิมาสอนให้ทำสมาธิฝึกสมาธิพอจังสิแต่ยังบมทันไดขออนุญาตเจ้าอาวาสเพิ่อนบอก ก็ขออนุ ญ, ญาตตอนนี้เลยพาผมสิมาแสดงทรรมโปรดญาติโยมออให้หัดนั่งสมาธิกั น, นเฮจไนะเฮาจะทำมสมาธิเป็นสมาธิให้ความสุขแก่ใจเฮาได้เพียงใดอันนี้ก็จะพูดให้ฟังเอาละขอพี่น้องสุขคน น้ดนมทุกคนอนั่งขะนั่งนั่งอย่างที่นั่งอยู่แล้วนี่แหละเอามือขวาหงายทับมือซ้ายไปนี่เอามือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตกักเอมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักเอาเด้อวันนี้เด้อตั้งใจคอยกำหนด สามทียตมาสิบอกนี่แหละให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าเห่าหูได้บ่เวลาลมเข้าเหาสังเกตได้บ่ว่าลมนั้นมันเข้ามันออกอยังไงให้เบรงลมเข้าลมออกเสก่อน ลมเข้าเป็นอย่างไรสังเกตได้บ่ลมออกเป็นอย่างไรสังเกตได้บ่ถ้าเฮาสังเกตว่าเห็นลมเข้าลมออกอยู่เห็นลมออกลมเข้าอยู่ลมเข้าลมออกอยู่ให้คอยรู้อยู่นั่นแหละ คอยรู้อยู่ว่าลมออกลมเข้าฮะล่ะลมออกมันชิ้กระทบกระเทือนจมูกของเฮาอยู่หรอกบันใดบันหนึ่งลมกระทบบันใดให้ตั้งใจไปบนันทันเมื่อลมออกก็ให้คอยตั้งใจเบิงลมว่ามันออกแล้ว เวลาลมเข้าเข่าก็รั่วลมมันเข้าไปแล้วแต่มันก็ผ่านจุดผ่านบอนที่มันผ่านเข้าไปนั้นเหาสังเกตได้เขาจะเห็นได้ว่ามันเย็นมันเย็นเย็นอยู่มันเย็นอยู่ในจมูกเาดังเข้านั่นแหละมันอยู่ในดังเข้าน่ะ ให้คอยเบืง้งคอยเบื้งเวลามันออกมันเข้าให้สังเกตเบื้งให้ดีเวลาลบเขา้าใจเ ข, าข้าเขาวันไหววัคิดไปทั่วที่ทัวรเด่นมันดูกับที่กับทางของมันนะนะมันบัไปทางอื่นหรอกเขาสิคิดอั้นคิดนี่ก็บยาหัวมันให้มันคิดไป แต่เขาบอเอาใจใส่กับความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นให้เอาใจใส่แต่ลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นเองลมหายใจเขา้าเขาก็เห็นลมหายใจออกเขาก็เห็นเขามาเห็นที่ก็คือรู้นั่นแหละรู้จะกว่าลมออกมันเป็นอย่างซี่ลมเขา้ามันเป็นอย่างซี่เวลาลมออกสั้นออกเหี่ยวเขาก็รู้นาเนื้ ลมออกสั้นเขาก็บรูลมเข้าสั้นเขาก็บหูลมออกยาวเขาก็บหูลมออกสั้นเขาก็บหูลมออกยาวก็บหูลมเข้ายาวกับไหหูลมออกสั้นไหหู้ลมเข้าสั้นไหหูหูจว่าเบ่ตัวเขามีแต่ลมไว้ต้ยบ่มียัง นี่แต่ลมเท่านั้นเฮาเสีเห็นว่าใจเฮามันเที่ยงตั้งเที่ยงตั้งมันบ่คิดนึกไปเรื่องอื่นอย่างอื่นเลยมันสีแน่วแน่อยู่ในลมหายใจฮั่นตลอดเวลาคิดอย่างมันก็บอกคิดเรื่องอื่นอื่นมันบอกคิดถึงเลยมันคิดถึงแต่ลมหายใจเท่านั้นเอง รูปหายใจลรอมันคิดเป็นผู้คิดผู้นึกหยุดเออมันที่เสียสมาธิอย่าอยเผ้าถ่ายรูปเด้อบันเดอเสียสมาธมิสมาธิมันตกมันเทศอะไรดีให้เสาวถ่ายซะ <c oughs> ให้สังเกต ด, ดีเด้อ สังเกต ด, ดูลมหายใจนั่นเฮาสิฮู้หรอว่ามันออกมาจากไหนเข้าไปจากไหนเขาคอยสังเกตไว้ขนาดมันดูกับลมหายใจขนาดมันบอกคิดนึกไปทิศทางอื่นเรื่องอื่นดอกมันคิดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกขนาดอันนี้มันของมีกับตัวเฮายอยู่แล้ว นองเสียใจทำได้เขาก็เห็นได้เวลาเเข้าสมาธิอยากเข้าสมาธิเขาก็กำลนงลมปับ๊บจิตเขาก็เป็นสมาธิลดมันบวชฟุ้งซ่านไปทางอื่นมันแน่วแน่อยู่กับลมมันมันบวคิดบวชนึกบวชรู้สึกทางอื่นเลยมันรู้สึกแต่ว่ามีลมเข้าออกอยู่คืออันนั้นแหละคือสิ่งที่ต้องการ จิตเทามันนิ่งมันบวคิดตึกสงสัยไปใส่เลยมันดูที่เดียวอยู่บนเดียวอยู่มองเดียวให้สังเกตให้ดีถ้ามันอยู่บนเดียวแล้วนั่นแหละจิตมีกําลังแล้วเขาก็เพิ่มเรื่อยๆหัดดูสุเมร์แม่บ่ได้เป็นชั่วโมงกระสางได้ ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีเมื่อหนึ่งก็ยังดีให้เอาเหตุตัววันอันนี้คือทางที่ทำให้จิตของเราเป็นสมาธิมีสุขภายในสุขอยู่ในใจนั่นแหละอารมณ์เป็นที่ตั้งที่หมายเฮ็ดคือเอาไปใส่เบ็ดนะนะไปใส่เบ็ดนะ ป่ามันกินเบ็ดเงียเฮาเบาหรอกเงียเงียยืนในเบ็ดนะเฮาตัวป่าอันนี้คือกันลมเป็นเครื่องล้อเครื่องออยให้กินมันสงบเฮาไปติดอยู่เครื่องล้อเครื่องออยเฮาเอาความสงบแต่ว่าเฮาเสียให้มันเกิดความสงบเฮาก็เฮตุนซีสะก่อน คอยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกเสีก่อนเวลาลมมันเข้าเวลาลมมันออกไปคอยรู้เมื่อจิตมันสงบแล้วมันบวกลึบบวนึกบวชงทรายไปใส่สักบัวนเลยมันดูบัวเดี่ยวเวลาใจเขาอยู่บนเดี่ยวนั้นเขาก็คอยรู้อย่างนั้นแหละมันบอมีลมน้อหน่มันเขาก็คิดว่าโอ้บอมีลมวัวเป็นหย่ง คอตตวายเห็นความสงบ <c oughs> สิลับตาไว้ก็ได้เดือคอยรักษาความสงบทัานนี้เราไว้ให้คอยรักษาไว้รักษาความสงบสองบอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกันละ ลมหายใจเข้าเฮากระเพอบอลืมบล่งไปนึกคิดเรื่องอื่นเฮาทำใจของเฮาให้แน่แน่อยู่นั่นแหละกระลบนั่นแหละทั้งลมออกทั้งลมเข้าเฮากระลอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอนาปานสตี นี่เรียกว่าอนาปนาันสติแปว่าลมหายใจเข้าหายใจออกพอพุทธเจ้าเมื่อสิรธิตัดสลูนั้นก็นั่งอยู่ใต้ต้นโพก็คิดถึงสมัยเป็นเด็กเป็นเจ้าชายเด็ ก, กึ้นอายุเจ็ดขวบนะ่ะนั่งอยู่ใต้ต้นว่านะ่ะ คอยกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกโค้งเอามาใส่วันศิลาตะสลูกเก่าอันนี้มาใส่ดูมาคอยกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกดูในที่สุดก็เลยจิตสงบเป็นสมาธิจึงได้เกิดปัญญาญาณยังรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ดูอริยสัจธรรมทั้งสี่ รู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับทุกรู้ขอปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอืรมรู้แจ้งขึ้นมาในใจวัดเลยศาสานาแปดหมืนสี่พันระธรรมขันธ์รู้แจ้งขึ้นในวันนั้ น, ว, น, นวันเดียวเลยเป็นที่น่าอาัศจรรย์แท้ๆเด้อสาเหตุแล้วก็เห็นผลทันทีทันได้ เกิดขึ้นในใจของเฮาเวลามันเกิดขึ้นกิตใจเฮาก็แจ้งข่าวขึ้นมาโอ้มีความสชขร้าย ม, มันบอกคิดพอนึกปูฟุงชาเ น, นี่ยมันอยู่กับเนื้อกับตัวมันตั้งสติแน่วแน่อยู่แล้ว มันคือสิบเป็นในที่นะเป็นคือคนขับรถโค้งไปขวอมาอย่างนี้นะโค้งตั้งสามพันสองร้อยโคง้งจึงมาถึงหลวงพระบางเปรียบเทียวคนเฮานี่แหละเกิดมานับพบนับชาติว่าทวนกวสิได้พ้นทุกข์ไปยากเลยเติบ ถ้าพอได้ปฏิบัติธรรมก็บภะพ้นทุกข์ถ้าได้ปฏิบัติธรรมก็คนทุกข์พนทุกข์ได้พ้นทุกขจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายคนจากสุบุนีแหละคนจากความแก่พนจากความเกิดพ้นจากความแก่พ้นจากความเจ็บพ้นจากความตายทุกขะ ทุกขพอเกิดอยู่เรื่อยเกิดหลายข้างลหลายหนทุกข์ขาสติปุนั์ปุนังเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่าไปเปนะถ้ามีเกิดแล้วก็ต้องมีทุกข์แหละถ้าบ่มีเกิดจึงบ่มีทุกข์เหตุจนวะได้มาเกิดมันยังมาเกิดอยู่ก็มีทุกข์อยู่ ทุกอย่างแน่ยทุกคือความแก่แล้วตามมาทุกคือความเก็บ ก, ก, ก็ตามมาทุกคือความตายก็ตามมาทุกพผล่ความสศกเศร้าเสียใจพิไร ล, ลําพันธอันนั้นมันก็ตามมาวะท่านเลยอยากได้สิ่งนี้มันว่ได้สมบูรณมากปรารถนามันก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วมันก็เป็นทุกข์ นีให้พ้นจากความทุกข์เหล่านี้หมดทุกอย่างเฮาคงมีทุกข์ในหัวใจเฮาก็มีแต่ความสุขอยู่ในหัวใจเหตุยังอยู่ก็มีความสุขเหตุไหนอยู่ก็มีความสุขมีความสุขคืขอสมมือส่วนเราเหตุที่เดีย๋ยนี้ใจเฮารวบลงไปมันก็เป็นสุขนั้นใจเฮาเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสุข ถ้าใจเฮาเป็นสมาธิมันโบสุกแล้วถ้าใจเป็นสมาธิแล้วมรรคผลนิพพานมันเกิดขึ้นเพราะใจเฮาสงบแล้วปัญญาก็เกิดเนี่ยปัญญาในทีน่นี่บนปัญญาเรียนรู้ที่พระธรรมคำพีสื่อปัญญาเกิดจากการภาวนาหรือการกระทําสมาธิวิปัสนาเนี่ยปัญญานี่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตัดกิเลส คือความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจของเราในมดสิ้นไปความโลภความโกรธความหลงนี้ตั้งอยู่ว่าได้เลยในหัวใจเราสีตั้งอยู่บนไหนตั้งอยู่บนโลกมันก็บรโลุมันหู่จักรคอเลยหมายความว่าเพราเป็นขีดขั้นทำน้อยๆก็ได้หอกเ่าเป็นเส้นหมายว่าทําแล้วแต่ใจเขาคบวัดดิด้นหลน เป็นทุกได้สำหรับเฮาเก่าว่าได้ไปคดโกงผู้ใดคดโกงบ้านโกงเมืองโกงประเทศชาติราชตะบันลังอย่างเฮาโผไปโคดบผ่ไปโกงบผล่ไปอยากได้โผล่อยากไปยื้อแย้งโผล่อยากไปขัดขวงผู้อื่นใครเสียเอาเก่าใครที่ได้ก็ได้ใจเฮาบเป็นขี้โกงโมยเลย ใจเฮามันเป็นซุกนะกิริตานี่คือความโลภนี่มันงดไปความโกรธความโมโหโทโซความใจให่างใจบวเที่ยงโวมัน่นใจดิ้นหล่นกระสับกระใสเวลาสักราขักขไฟคือราคะโทสักขีไฟคือโทสา่าไฟคือโทสานี้ก็ ค, คือความโกรธทันแล้วมันเป็นไฟ หม่ใส่ไม่หัวใจเอาหันแล้วให้ได้ไปเกิดในภูมิมันต่าเนลยเกิดไปความตกต่ํำแล้ววันนี้ถ้าเฮามีความโกรธอยู่ตายไปก็ตกนรกเลยพอได้ไปสวรรค์เนะตายไปแล้วก็ตกนรกออกกองโกรธมันมีได้กิเลสมันมีเยอะถ้ากิเลสมันมีเยอะนี่มันต้องตกต่ําแน่นอนอันนี้โบด เราสงสัยเลยละ่ะเขาจะเอาออกเพื่อพุทธเจ้าพุทนทียว อ, ออกจากใจเอาออกด้วยการปฏิบัติธรรมนั่นละบนแนวอื่นเขาปฏิบัติธรรมมันก็เอาออกได้เอากิเลสออกได้ อ, ออกจากใจเขาได้ความลงก็คือกันความลุ่ก็เป็นกิเลส กิเลสแปลว่าคุณสิ่งมัวคือน้ํามันวสัยน่ะน้ํามันคุณใจเฮากับคุณคือกันแหละแต่ผมเคุณด้วยน้ําแต่เฮาคือคุณด้วยกิเลสกิเลสก็คือความหลงนั่นแหะหลงวัลูกความจริงวัลูกแจ้งในอริยสัจซีก็บุพ้นจากทูกได้เหมือนนี่ ไปเที่ยวไปเกิดไปแก่เก็บตายอยู่ร้อยชาติพันชาติแสนชาติโกตชาติตอนเนอร์นับบอไหวบ่มันยาวมันนานโพตมันนับพอไหวจงงามใดห่อสิพ้นจากทุกข์ถ้าเอาบุพฏิบัติธรรมเอาบุพ้นจากทุกข์เด้เอาบุเห็นความสุขในใจบุเห็นความสุขในสวรรค์บุเห็นความสุขในพระนิพานเอาบุเหน็นสุโมนี ถ้าเฮาปฏิบัติแล้วเฮาจะเห็นเลยว่าความสุขจากเกิดจากความสงบภายในมันวีสิทธิ์สุขในสวรรค์ก็เย็นใจอย่างเช่นและสุขใน พ, นพนใน ร, พระนิพานเนี่ยคลากหลายพระนิพพานังเพระวันละพระมัะมงสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังพระมังสุ ข, ขังนีะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขที่สุด สุข ก, กว่าสิ่งอื่นสุข ก, กว่าอย่างอื่นบัแนวนั้นจะเป็นยังกระางแนวสุขหน้าอื่นนัในวัวทอสุขในพระนีผ่านเพิ่อนว่าจังซีเอาอยากเห็นสุขในพันีผ่านเขาก็ปฏิบัติธรรมสุขมีวัวมีควยมีซ้างมีมา้ามีรถมีเรือมีเข้าของเงินทองต่างๆนี่ก็เป็นความสุขเยอะแต่มันบัวเป็นสุขที่แท้จริง เกิดขึ้นนิดนึงแล้วมันก็ดับไปมันฉกในพานิพานมันมบ่มีดับจกเที่ยเด็บ่มีดับมีมอดจกเทีย่ยมันห่งเฮืองเดียงเดี้ยมอยู่สั้นตลอดเนี่ในใจเขาจากเือเขาได้พียงละเขาเป็นมนุษย์เขาได้บรรลุธรรมเนี่ยเป็นพระโสดาบันเป็นพระสงิ์าคาเป็นพระนาคาเป็นพระลรหันถ้าเขาได้บรรลุเป็นพระละหัน์นลนรรนแล้วนี่หิตใจเขาอันโวเป็น พอเป็นยังไงแล้วก็บอกมันก็บอกคิดนึกอีกอย่างมันก็บอกสงสายมันก็บอวุ่นวี่วุ่นวายหเนี่ยจิตใจเฮาบ่วุ่นวี่วุ่นวายมีแต่ความสุขความสงบภายในหันเฮาตายไปแล้วเฮาเข้าพันิพานเลยไปพันิพานเลยที่ไปพันิพาลได้ก็เพราะว่าเฮาคิดใจบริสุทธิ์บ่มีโลคบ่มีโกรธบ่มีหลงเป็นในนั้น บริสุทธิ์แท้บริสุทธิ์มากบริสุทธ์หลายเป็นมนุษย์อยู่ก็มีความสุขก็เข้าถึงพระนิพพานแล้วจิตใจเขาเข้าถึงพระนิพพานแล้วหรือบรรลุมรรคผลแล้วนี่เขาเป็นมนุษย์อยู่เขาก็มีความสุขเมืนอเขาตายไปแล้วเขาก็มีความสุขขันเขาได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เขาก็มีความสุขวีเสดสูงสุดเลยทีนี้สุขหลายสุขกว่าสิ่งใดทั้งมด ในโลกปรทันี้ผมมีอย่างสิมาเทียบ ม, มาเทียมได้หรอกพอพุทธเจ้าพยกล่าวไว้ว่านิพผานังประมังสุขังพระ น, นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพื่อ่ะมันสุกประทุกสินทรุอย่างนิพผานังนิพผานังปลมังสุนอย่างพระนิพพานสูนอย่างยิ่งคำว่าสูญในที่นี้คือมืดมดไปสิเลดเมด จากใจเห um, no ่าบ่มีเหลืออยู่เลยกิเลสน่ะบ่มีเหลืออยู่ในใจเลยบ่มีเหลืออยู่ในใจจากเล็กจากน้อยเลยแหละมันศูญวัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันวัดไปเลยในหัวใจเห่าพราะังนั้มันศูญมันหมายควมว่ามันหมดบ่มีอย่างเล้มันหมดกิเลสกิเลสมันหมดไปกิเลสมันบ่มีอ๋อ ผมมีกิเลสมันทีมีความชุกได้จากไหนด้วาอีกผมแยนหมายเขว า, าว่ากิเลสคือสิ่งคุณมวในหวัวใจเฮาหันใจเฮาบ่คุณบ่มัวลบ่เศร้าบ่าบาหมองแล้วก็ใจเฮาก็ะฟองใส่ใจเฮากรเบิอบานเพรา ะ, ะนั่นว่าสัาพาพะปัจจการนังการไม่ทําชั่วทั้งปวงการไม่ทําบาปทั้งปวงอุสลสู้ปัสมัทาทํากุศลให้ถึงพร้อม ชาคิตตะริโยทะปนังเอตังพุทธานศาสนังคือทำจิตใจให้พองแพ้วฟองใสอันละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาก็มีเท่านี้มีเท่านี้แหละมีเว้นจากความชั่วเว้นจากบาปอุศสทุกอย่างให้ทำความดีมัดทุกอย่าง ทำความดีในที่นี้ก็คือให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาแต่เขาบำเพ็ญภาวนาแล้วเขาก็สิเลิกละได้จากสิ่งเหล่านั้นจิตใจเขาก็สิพองใสขึ้นมานี่แหละสําละกิตให้พองใสขึ้นน่ะสําละกด้วยน้ําบพองใสอาบน้ำเมื่อสามเที่ยจีเที่ยมันก็โบพองใสจิตใจพองใสแต่กาย แต่ถ้ามัารักษาศีลให้ฐานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาแล้วมันเป็นการอาบน้ําให้หัวใจของเขาคือล้างหัวใจของเขาให้มันใสบริสุทธิ์เด้อให้ฐานก็เหิดให้บริสุทธิ์รักษาศีลก็เห็ดให้บริสุทธิ์ทำสมาธิปัสนานกรเหิดเป็นความบริสุทธิ์สั้นเหมือนกันหมดอันละให้ฟังแล้วให้พิ่เจรนาเอา ให้คอยเบิกลมไว้อย่าให้มันเผลอยอดธรรมะยอดคําสอนมันบ่อยู่บนอื่นบนใครเด้กมันอยู่ที่ตัวเฮานี่ความเกิดก็เป็นตัวเฮานี่ละเกิดความแก่ก็ตัวเฮานี่ละแก่ความเจ็บก็ตัวเฮานี่ละเก็บความตายก็ตัวเฮานี่ละตายนี่ ย, ยอดธรรมะ ของผู้ที่ย่ำอยู่ที่นี่ใิที่ความเกิดความแก่ความเก็บความตายนี่แหละสอนใเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้สอนให้เห็นโทษของความเกิดความแก่ความเก็บความตายความเบียนวายตายเกิดเป็นว่าสอนในเห็นสุโมนี่เห็นโทษสมโมนี่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราตกทุกข์ได้ยากอืย เกิดชาตินี้ที่เป็นคนก็โชคดีอยู่ครับว่าได้เป็นคนไปเป็นงัวเป็นควายก็ลําบากไปเป็นปูเป็นป้ามันก็ลําบากมันบวมหัจากสี่จากธรรมโมหันจากยามที่งัวเป็นควายมันบวนุมือไหว้พระจากเคื่อบวไหว้พระมันไหว้พระโภเป็นนรอถ้าเฮาเกิดเฮาไปเป็นงัวเป็นควายก็ คือพอเขาได้รับทูกหลายเป็นควายก็ไม่อยากตายจากความเป็นควายก็อยากอยู่เป็นงวเป็นควายหลายๆสัตวหลายๆพวกงามหลยเขาซีเบือซีนายแล้วพอเขาไปได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเลยเขาเบื่อเขาไหนเขาก็่ได้เขาต้องใส่กำลงเส้นเลยพอได้มาโกตรเป็นคนจักเถื่ออันนี้ให้ใส่ใจให้ดี ว่าความมาเกิดเป็นคนนี่มันโชคดีที่สุดแล้วพ็เห่าพี่น้องทั้งหลายมีความโชคดีที่สุดถ้าเห่าปฏิบัติธรรมนี่ก็เหาก็เห็นได้รักษาศีลเหาก็เห็นได้ภาวนาคือปฏิบัติสมาธิวิปัชนานี่เห่าก็เห็นได้เป็นโอกาสดีที่สุดที่พี่น้องทุกคน ทีได้ปฏิบัติทางใจให้หนีพ้นจากกองทุกข์ให้ได้ที่วัดป้าตอนห้โศกอำเภอหนองหานจังหวัดรวนธานีประเทศไทยอันนี้มีการสอนสมาธิมีปัสนาเดือนนึ่งมีครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งใช้เวลาเจ็ดมื้ออืม เวลาเก็ดเมื่อเก็ดวันเก็ดคืนเก็ดวันตั้งแจนั่งสมาธิแนวเดียวถึงเวลากินข้าวเขาก็ให้ไปกินถึงเวลาอาบน้ำเขาก็ให้ไปอาบน้าเวลานอกเนื้อจากนั้นนั่งสมาธิแต่ว่าคนไปก็ใส่ชุดขาว ถ้าผมมีผ้าขาวกอาวผ้าดำผ้าอะไรเขานี่ก็ได้คือกันแต่ว่าเป็นสมาชิกฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดพาะนัโศกนี่ฝึกแจ่ละค้างนี่เป็นร้อยคนคนน่ะนั่งเต็มวัดสลานัะ่ะถ้าพี่นอ้องสนใจอยากไปปฏิบัติธรรมก็นินดีแม่ปลานี่พป็น ทีหาไ ป, ปรกรกัยบันไดจากหนองคายไปถึง45 ก, กิโลเมตรเนันเองบวกกับทางออกไปวัดกืบ27กิโลเป็น60 70กิโลขัะไปจากหนองคาย ตั้งใจปฏิบัติแล้วมันได้ลดนะ่ะให้ความสงบทใจได้ความเย็นใจขึ้นมาลดตั้งใจเหตุจริงๆริงวัยากแล้วอดทนเต็มที่น่ะมิจใจเฮากระพองใสขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาเฮามานั่ ง, งบ้านนึกจําได้แล้วก็นั่งได้เฮาเคยนั่งได้แล้วมันก็ได้เรื่อยๆ เขาอยากให้ใจเขาก็สงบงามได้เขาเห็นได้ถูกงามเขานัน่งอยู่ซื้อมีเรียกมีงานืลอยคอยเบื่งลมหายใจเขาออกก็ได้จินเขาก็สงบได้คือกันเห็นเรียกเห็นงานอยู่เขาก็มีความรู้สึกอยู่ในเรียกในงานนั้นเขาบวชคิด น, น, นึกเรื่องอื่น ใจห่อเขก็สงบอยู่คือกันถ้าไปนั่งสมาธิจริงๆปฏิติจริงๆเมื่อหนึ่งวันละสามสิบนาทีเมื่อสามสิบนาทีสามสิบโมงเอาคอยเบิงใจเอามันดูกับลมหายใจว่วหรือว่ามันสงบไปแล้วถ้าสงบไปก็รักษาความสงบนั้นไว้ สาเสี้ยวมาพิจารณากระพิจารณาตัวตนของเฮานี่ละสังขารร่างกายของเฮานี่แยกส่วนหอกเฮาพอท่านตายดอกตัวค่อยปาดออกเอาผมออกก่อนเอาขนออกเอาเนื้อออกเอาหนังออกเอาหนังออกแล้วก็เอาเนื้อออกโดยเฉพาะโครงกระดูกพิจารณาเป็นเช่นพิจารณาง่ายๆ เอาความเข้าใจเขาเฮาอ house, away, ันละเอาพิจารณาไปก็จะเห็นชัดตรงไปตัวเขาอันนี้ว่าโอ้ตัวตนเขาบทเตียงแท้แน่นอนเนาะมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้เนาะผมมีอันไดนเป็นตัวตนของเขาจักอันเมืองไปแล้วกระดูกกระโปรงมียนเหมีนตัวตนของเขาเนื้อหนังมังสาเขาเป็นตัวตนของเขาเขาพุณที่ย่อคุณสอนไว้ว่าอนัตตาผมมีตัวตนที่แท้จริง อันนี้จังทุกขังอันน่ตาต่าคนนะอันนี้จังคือปวดเที่ยงปวเที่ยงแค่แนนอนทุกขังทนอยู่บ่ได้คืออยู่ยังยังนั่นยางเดียวกับบ่ได้คือนั่งเนี่ยนั่งบิดมือกับบ่ได้ก็ต้องเปลี่ยนย้ายเดินแน่นั่งแน่นอนแน่ไปแต น, นะเรื่อยไปเรื่อยไปขับเห็นใช่ไมก็นทนบ่ได้อืม ต้องพิกแพงไปเรื่อยๆพูดง่ายๆว่มันวัตั้งอยู่เที่ยงแท้แน่นอนมันสิเก็บสีตายอยู่นั่นแหละของมันแหละคนที่สุดพีนาบงเวิดแล้วมันมีตัวตนจักอย่างเฮาเสียอนันใดไปนำแหละกระดูกออก็เอาไปนำว่าได้หนังเนื้อก็เอาไปนำว่าได้กระดูกออก็เอาไปนำวัวได้ตัวตนทั้งหมดนี่เอาไปนำ บ็พอได้เอาไปสู้ภบหนาชาติหนาพอได้ตายแล้วขอไปเผาไปฟังเพราะฉะนั้นอีพอมีอยัางเดิมอยู่เอาได้อีย่างไปถ้าเอาพอได้ปฏิบัติธรรมเอาพอได้อย่างนี้เอาพอได้ให้ทานได้เอาบอได้รักษาศีลไว้เอาพอได้ปฏิบัติธรรมไว้เอาศีลเล่นได้ไปนำศีลที่เอาคนออกมาทําบุญทํากุศลสร้างสมบัติมีนั่นแล้วเอาที่ได้สุนนแหละไปนํา คอยให้ลูกให้หลานเฮ็ดให้เฮ็ดบุญหาทําบุญภาศาธาโอ้ยเขามีเงินเขาก็ทำสักเขาบอกมีเงินเขาก็เพื่อทำสู้เขาทําเอาก่อนเขาเพ่ได้ทําเอาไว้เลยเขาอยากทานอย่างเขาอยากได้อย่างเขาทานไปทานไปก็อธิษฐานขอให้เปลี่นสินั้นสินี้มันก็เป็นไปคอให้ได้ไปสวรรค์ได้ไปโพ้มาโลกให้ได้ไปนิพพาน มันก็เป็นปัจจัยให้ทรงเสริมเอาถึงผลนิพพานได้คือกันปฏิว่าให้ทานรักษาศีลบาเป็นภาวนาเอาเหตุเอาเอาได้สมุนี้ะเอาไ้สมุนี้เอาได้อย่างนี้อย่างเอามาในโลกกลับไปทานเอาก็ไปเฮ็ุศีลเอาก็ไปรักษาภาวนาเอา่ได้ปฏิบัติจะเอาทีได้อีกอย่างแล้วไปนํา คกว่าให้ฐานเด้อรักษาศีลด้วยภาวนาเด้อเอาที่เจ้าเป็นสอนเลยให้ละให้ภาันให้ฐานให้คนขวายทำ บ, บุญทำกุศลเอาไว้ให้มากพี่น้องชาวหลวงพระบางประเทศลาวมีโชคดีจะได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมเมื่อ น, นี้ เอาละเห็นว่าพอสมควรแล้วค่อยๆยขยับมือขยับมือหายใจลึกๆหายใจลึกๆอนลมออกแล้วก็สาวไปอาวเห็นได้ต่อเห็นได้เลย